ท่นานสาธุชนวัตบรรดิตั้งหลายสําหรับรวันนี้ก็ h e r e ขอนํ า, นามหาสติปทานสูตรไม่ข้อที่วา่าในจิตคือจิตตานุบสนาฮาฮัสฑ น, นามหาสติปทานมาแนะนํากัมบรรดาท่านทั้งหลาย ได้ว่าก่อนที่จะแนะนํากันก็ขออารัตนาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมม า, าสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเมื่อกล่าวเป็นปรรทัฐานเมื่ก่อนเพื่อเป็นการป้องกันที่จะคิดว่าคําสอนนี้เป็นของผมเองผมเองผมไม่ได้มีความรู้คําสอนทั้งหมดเป็นขององค์สมเด็จพระบรมครูขอท่านหลายโปรดสดับ จะขอนำพระบาลีตนมากล่าวไว้สักนิดหนึ่งพอเป็นนิทัศนะคำว่ากัจากพิกเวพิโุจิตเตจิตานุปัสสีวิหารติเป็นต้นความมีอยู่ว่าดูก่อนพิสุทังหลายก็อย่างไรพิสุย่อมพิจารณาเหนจิตในจิตเนียงเลียงอยู่ ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้หนึ่งจิตมีราคากระก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะว่าจิตไม่มีราคากระก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีราคะนี่ท่านให้แนะนำว่าคลาจิตของเราราคะก็หมายก็มีความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มีหรือไม่มีให้หรามีารมรู้ถ้ามีก็รู้ว่ามีถ้าไม่มีก็รู้ไม่มีถ้ามีแล้วก็ตัดตัวไราราคะแล้วก็ตัดการราคะเสียนได้ด้วยอานาจของปฏิกรูระบปฏิกรูเสัญญาหรือว่าท่าสี่นวสีเก้าถ้าไม่มีก็ทรงรมความไม่มีไว้ ยึงกล่าวต่อไปว่าหรือว่าจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะถ้าจิตมีโทสะแล้วก็ใช้พรหมหันต์สี่ข้าป ร, าปราหารจิตถ้าไม่มีโทสะก็ส่งอารมณ์ความดีไว้ต่อไปท่านตรัดว่าจิตมีโมหะก็รู้ชัดอยู่ว่าจิตมีโมหะ ถ้าจิตไม่มีโมหะครูชัดว่าจิตไม่มีโมหะคำว่าจิตโมมีโมหะคืออารมณ์หลงหลงว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงว่าภาพร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราเพราะว่าทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของเราวิดามารดาเป็นของเราสามีสามมีพัญญาเป็นของเราวัตถุธาตุทั้งหมดเป็นของเรานี่เป็นอารมณ์หลง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาหาความเป็นจริงคืออริยสัจเห็นว่าราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นทุกนี่ว่าจะดูในด้านใต้รักคนได้ใต้รักแต่กกบอกอนนี้อางทุกอย่างในโลกมันไม่เทีย่ยงทุกครั้งถ้าตุจีแค่ยึดมันเป็นทุก อนัตตาในสุดก็สหลายตัวาหาความจริงในข้อนี้ให้พบไม่กล่าวต่อไปว่าหรือว่าจิตหดหูดก็รู้ชัดว่าจิตหดหดูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูดนี่ก็ได้แก่พวกโมหจริตกิวิตกจริตคิดอะไรไม่ออก จิตโหดโหจริงๆก็แช่อาฬาปานุสติคําว่าคําจุนไว้ถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วก็แช่อาฬิกานุสติเหมือนกันแล้วก็แช่อาฬาปานุสติเข้ามายันกันไว้ยันให้มันอยู่กันแช่รมให้มันตรงนี่แนะนํากันนะหรือว่าจิตเป็นมรรคตก็คือความเป็นใหญ่หมายถึงเอาจิตที่เป็นฌานสมาบัติ เป็นอปมัญญาเป็นพมิหารอัปัญญาพรมิหารจิมตมรรคก็หมายความจิตทรงฌานมีรมแนบเนื่องสนิทอยทู่ในความดีทรงอยู่ในฌานก็ดีทรงอยู่ในวิหารในในพมิหารก็ดีเนี่บอกว่าให้สังเกตจิตของเราถ้าจิตมันทรงอยู่ในฌานจริงๆแล้วก็รักษาจิตให้มันทรงตัว <c oughs> อย่าให้ฌานหรือพรมีหารสี่ที่มันทรงเยี่แลมันสลายตัวไปข้อต่อไปต้องกล่าวว่าจิตไม่หมอมหรคตรกรุชัดว่าจิตไม่หมอมหอัคตรคือจิตไม่มีฌานไม่มีพรมีหารสี่อันนี้ต้องรีบแก้ <c oughs> ถ้าจิตไม่มีฌานสมาบัติด้วยกำลังข้ออะไรเป็นสำคัญเราเคยศึกษาไปมาแล้วในด้าน การกรรมฐ า, านสี่สิบแต่ว่านี่เราว่ากันได้มหาสติประธานโัตรสดถ้าจิตไม่ทรงชานก็ต้องใช้อนาปานสติกรรมฐ า, านเข้ามาช่วยทันทีหรือว่าจิตขาดพรมิหารสี่ก็พยายามหาเหตุหาผลว่าการทรงพรมิหารสี่มันดีหรือมันชัว่ว จิตที่เมรุมคันกับพวิหารสี่ดีที่ชั่วถ้าเห็นว่าชั่วทำลายมันเสยียทรงพวิหารสี่เข้าไว้นี่ก็ของไม่ยากหรือว่าจิตมีสุตระคือกามาวจรจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าไม่ถึงอุปจาระสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสโส ส, สตระ คำว่าอุศุตระไม่ถึงอุปจารสมาธิก็หมายว่าจิตเป็นคณิกะสมาธิหรือสมาธิาธเล็กน้อยทรงอารมณ์ความดีไว้ได้นิดหนึ่งจิตก็สายไปสู่อารมณ์อื่นแล้วก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วก็มันมาประเดี๋ยวเด๋ยวมันก็ไปใหม่เมื่อไปใหม่รู้สึกตัวกข้ามาก็ดึงกข้ามาอย่างนี้เียว่าจิตอยู่ในในจิตไม่มีสูศุตระ หมายความว่าจิตเป็นในเพียงว่าเป็นคณิกาสมาธิสมาธิเล็กน้อยถ้ามีอาการอย่างนี้ก็ต้องเร่งรัดการทรงฌานาให้มากได้แก่อนาปารสติกรรมฐาน <c oughs> หรืออิธิยาบทเป็นกลาต่อไปว่าหรือจิตเป็นอนุตตระคือการมาวาจรจิต ไม่มีจิตอื่นยี่งกว่าหมายถึงอุปจารสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นอนุตร์จิตเป็นการมาวาจรจิตหมายถึงว่าจิตของบุคคลใดเข้าถึงอุปจารสมาธิคือจิตมีปีติความอิ่มเ อ, อบิบที่ปรากฏขึ้นในใจมาบางครั้งมีการขนลุกส่ชาขนพองสยอเกล่าว บางครั้งน้ำตาไหลบางครั้งร่างกายโยกโคลงเมื่อเวลาจเจริญสมาธิบางครั้งสั่นเหมือนก็ป ก, กระบางครั้งตัวลอยเรียบบางคราวก็มีการสู้ซาตัวเบาปลดรงเมื่อจิตมีอารมณ์สบายอารมณ์จิตอย่างนี้ยังไม่ถึงฌานสมาบัตเป็นอุปจารสมาธิหรืออุปจารฌาน ท่านบอกว่าเป็นกามาวาจรจิตก็หมายความจิตประเภทนี้ถ้าตายไปแล้วก็ไปเกิดในกามาวาจรสวรรค์ยังไม่ถึงพร ม, มโลกก็ยังเป็นความดีเนื่องากตัวที่ว่าด้วยจิตตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นนี่เป็นชานสมาบัติทรงอารมณ์อยู่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งในมาหาปฏิปทานาสสุท ที่ที่ศึกษามาแล้วทั้งหมดจิตทรงอารมณ์อยู่อย่างนั้นเป็นปกติชื่อว่าจิตตั้งมัน่นเหงการ์ว่าหรือจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ชั้นว่าจิตไม่ตั้งมัน่นเพือจิตที่เมรุมกับสับกัสายเป็นอุทจจักกุกุจจามีการพุ่งสร้างลำคขญนเราก็รู้อยู่ถ้ารู้อยู่ไม่ตั้งมัน่นจริงๆก็จับปนาปานุสติกรรมฐานเข้าไว้ก่อนเป็นการสรงตัว นี่เป็นอนวัยวะที่งอนาปานุสติกันไม่ได้หรือว่าจิตมิมุติมีมุดไปวุ่นหลุดพ้นพ้นได้แต่ทางขวีมุตวิคัมพนาวีมุติก็รู้ชัดว่าจิตมีมุติเป็นอนวัยวะจิตของเราเนี่ยหลุดพ้นเดิมได้กําลังฌานสมาบัติหรือว่าหลุดพ้นเดิมได้เขอ ง, งม่ปัจจนาญาณ หลุดพ้นเดิมหน้าเขาชาสมาบัติมันก็หลุดเดี่ยวๆยับยังได้เดี๋ยวเดียวความโลภความโกรธความลหลงหรือความรักใ <c oughs> น, นความรักในกามารุมมันจะยับยัง้งในชัวน่วขณะพอเลิกแล้วมันก็ตือหรือร้นตามเดิมความโกรธเมื่อจิตทรงกําลังเป็นฌานใครเขาว่าอะไรก็ไม่เป็นไรไม่โกรธแต่พอเลิกแล้วบาดีมันก็โกรธ อย่างนี้เรียกว่าตัดทางเขวี้ยมุดหลุดพ้นเดิมหนาดของฌานถ้าหากว่าหลุดพ้นเดิมหนาดเขาไม่ปรัชนาญาณมันหลุดไปเลยอย่างตัดสสงโยน์สามได้แล้วมันก็ไ ม, กม่กําเริบอีกตัดแสงโยต์ห้าได้แล้วมันก็ไ ม, กม่กําเริบอีกตัดสสงโยต์สิบได้แล้วอะไรอะไรมันมาก็ไม่กําเริบ ม, มันตัดขาดไปเลย เตืกล่าวต่อว่าหรือว่าจิตยังไม่มียังไม่วิมุตกรู้ชัดว่าจิตไม่มีหมุตหมายความจิตไม่สามารถจะหลุดพ้นไปได้ก็รู้อยู่คําว่าจิตไม่หลุดพ้นไม่วิมุติในที่นี้กหมายถึงว่าถ้ากําลังฌานสมาบัติไม่มีการระงับนิวรณ์เราระงรับไม่ได้นิวรณ์ยังกวนใจเราก็หาทางทําลายนิวรณ์ตามแบบฉบับที่สอนไว้แล้ว S <S <an> เอถ้าว่ายัางไงตั้งกล่าวต่อไปว่าพิสูจย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายในบ้างอย่าพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบางเห็นจิตในจิตเป็นภายในก็คือจิตของเราเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบางก็คือเห็นจิตคนอื่นน่ารู้อื่นอารมณ์ของเราเข้าไปเกาะคนอื่น ด้ยาาย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกบารู้อารมณ์ของเราด้วยรู้อารมณ์ของบุคคลอื่นด้วยนี่เพราะว่าเรืงจิตย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตบ้างการเกิดขึ้นในจิตหมายถึงอารมณ์ของความดีผมตีความหมายเอาอย่างนี้ คืออารมณ์ปลดอารมณ์ละได้แก่อารมชาญเป็นอย่างเร็วอารมณ์มิปัศนายญาณเป็นอย่างสูงและย่อมพิจารณาให้ธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตดูว่าจิตของเราเวลานี้เราทรงสมาธิได้อำนาจอนาปาณุสติกรรมฐานเราปลดกำลังความพอใจในการมารมเส้นได้ด้วยกำลังของอ้า ด้วยกำลังของปฏิกูลร ะ, ลละบบปฏิกููเหตุาการสามิบสองธาตุสีนวสีเกแต่ว่ามันเสื่อมไปถ้ามันเสื่อมไปแล้วก็คว้า ม, มันขึ้นมาใหม่ทำให้มันดีขึ้นเพราะว่าต้องกล่าวว่าย่อมพิจารณาถ้ามันได้ความตั้งคือคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ให้รู้ว่าอารมณ์จิต ข, ของเราเวลานี้บางคราวมันดีขึ้นบางคราวมันเลวลงก็งหาทางป้องกันหรือว่าจิตสติมีอยู่ว่ า, าก็หรือว่าจิตมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะเกิดเทือนนั้นแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้คือหมายว่าไม่ยึดถืออารมณ์ใดๆทั้งหมด ที่เข้ามันเป็นโลกีวิสัยโลกีลกิยอารมณ์กิยอารมณ์เนื่องๆในโลกมันมาแล้วก็ปล่อยมันไปอารมณ์รักเกิดขึ้นนิดหนึ่งมีความรู้สึกคือคิดต่เพียงว่าอ๋ อ, อ น, นี่อารมณ์รักรมันไม่ใช่ของแท้แน่นอนสิ่งที่เรารักประเดี๋ยวเราก็เกลียดอารมณ์โลภอยากได้เกิดขึ้นพอมีความรู้สึกขึ้นมาก็คิดว่าจะโลภไปทีงไหนกัน ว่าเดียวอาการสลายมันก็ปรากฏของทุกอย่างไม่ไม่ทรงอยู่กับเราเราก็ไม่มันกับเราก็ต้องจากกันถ้ามันอยู่เราก็ตายหรือเรายังไม่ตายมันก็สลายมันไม่สามารถจะอยู่คู่กับมันได้ชั่วฟ้าดินสลายตั้งกต่ว่าแต่เพียงสตว่าเป็นที่อาศัยแล้วเป็นที่อาศัยแล้วลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วย ย, มมย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกโดยแมมท่านบอกน่ารักดูก่อนพิสูจน์หลายวิสูจน์ย่อมปิญจาใ น, านจิตในจิตเนีองๆอยู่อย่างนี้และีเป็นพระพุทธพจน์ผมก็เอวา่าอ่านบ้างอธิบายไปบ้างรวมความว่าศูนย์แห่งการเจริญพระกรรมาฐานทั้งหมดความสำคัญอยู่ที่จิต เมื่อเราจะพูดกันง่ายอารมณ์ที่เราจะพึงตัดจริงๆก็แก่อารมณ์ที่มีราคะอารมณ์ที่มีโทสะอารมณ์ที่มีโมหะนิสิตว่าท่านนั้นหลายเป็นผู้พิจารณาเห็นอยู่รู้อยู่มีความเข้าใจในเรื่องของจิตส็หมายความนั้นว่าเราใช้สติที่เราศึกษากันนี่ท่านนิวสติประธานาสูตร หรือว่ามาหาพิะธรฐานาสูตรคือัติใหญ่มาหาสตินิมตสติใหญ่ใช้กำลังอยู่ตลอดการตลอดสมัยตลอดเวลาเราจะไม่ยอมให้สติของเราเคลื่อนคลายเคลื่อนไปควบคุมกำลังใจคือจิตว่าจิตของเราเวลานี้มีสภาวะเป็นอะไร ท่านสอนในตอนต้นเรื่องจิตตานุปัสสนานี่ก็ยังควบทั้งสมถะและวิปัสนาควบคุณอยู่มอันดับแรกควรจะใช้เวลาไหนกันบ้างดีเขารับการระมัดระวังจิตเนี่ยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่สองทุ่มหรือว่าสามทุ่มแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่ว่าตอนเด็กหรือว่าตอนกลางวัน ถ้าตามที่ท่านปฏิบัติกันนะครับท่านไม่วางอารมณ์กันเลยแล้วผมจะนําบุคคลตัวอย่างท่านหนึ่งไม่ใช่พระสูตรเป็นบุคคลในปัจจุบันได้ว่ากลัดปัจจุบันใกล้อดีตและอดีตใกล้ปัจจุบันเอาาเล่าปฏิบัติทาให้ของท่านใน้ท่านหลายฝั่ง ว่าท่านทํากันจริงๆเวลาที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านไม่ได้วางท่านไม่ละท่านเกาะอารมณ์ของท่านตลอดวันไม่มีลานีบรรดาท่านนังหลายที่ปฏิบัติกันผมไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านไม่ได้ปราโมาท่านว่าท่านนังหลายทําไม่ถูกท่านนังหลายทําไม่ดี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 ให้กั บ, บานางคิดว่าคนที่เขาต้องฆ่ากันตายแล้วต้องทะเลาะกันมีเรื่องวิวาทบาดหมางกันมันมาจากอารมณ์รักที่เนื่องได้วยกิเลสในความทุกข์ต่างหลายใดๆก็ตามที่มันมาได้ก็มันมาได้จากอารมณ์รักรักตัวนี้ไม่ใช่รักในภพมิหารสี่คือราคะเป็นอารมณ์รักสวยรักงาม รูปโสมโนมพันรักรูปสวยรักเสียงพระรักกลิ่นหอมรักรสอร่อยรักสัมผัสระหว่างเพศมีอารมณ์ใคร่ควอยู่ในเหตุทั้งหลายเหล่านี้แในสิ่งทั้งหลายที่เรารักเนี่ยมันมีการทรงตัวเพียงไหนเคยเห็นคนสวยไหม นางงามโลกนางงามจักรวาล น, นางงามประจําประเทศนางงามประจําเขตงามกี่วันเนื้อชายงามประจําเขตใครงามเป็นประจําใจงามกี่วันวตัตถุธาตุทั้งหลายที่มีความสวยสดคุณงามมันงามตลอดกาลตลอดสมัยไหม เรื่องสั่งกันกับตายแต่เดียวๆมันก็ร่วงมันก็โรยเนี่ราคะมาถ้ามันเกิดขึ้นเอาใจถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ของใจมันก็เกิดเกิดพราะว่าสภาวะอย่างนี้มันปรากฏขึ้นในเมื่อสภาวะอย่างนี้มันปรากฏขึ้นความปรารถนามันก็ไม่สมหวังตามที่ตั้งใจ คิดว่าปัญญาสวยมันจะงามมันจะดีมันก็ไม่ดีเนี่ยกำลังใจตรงนี้มันก็เป็นทุกข์นี่ความปรารถนาพลาดไปเสียแล้วแกนั้นองสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงให้โสนมัตรระวังกำลังของจิตว่าเวลานี่ราคะมันเกิดขึ้นไหมถ้าราคะเกิดขึ้นก็ไปจับเอาเอาอาการสามสิบสองคือปริกูระบับ เอาท่ า, 4, า, าสี่อนวสีเก้ามาใครควรพิจารณาว่าสภาวะเทียรักคือคนผมขอเอาคนเป็นสำคัญเพราะยึดมั่นกันมากคนเราเนี่ยตรงไหนบ้างที่ประสาดมันน่ารักเรารักของสวยเรารักของสะอาดรักของดีรักของหอมไม่รักของเหม็น ร่างกายของคนจริงๆตรงไหนมันหอมบ้างมีไหมแล้วตรงไหนมันสะอาดบ้างนี่ธาราค้ามันเกิดขึ้นตัดด้วยรมนี้นี่ถ้าโทสะเกิดขึ้นต้องใช้พรมมิหารสีข้าบระหัตประหารทันทีอารมณ์เสพพรมิหารสีอารมณ์พรมิหารสีนี่ต้องทรงอยู่ตลอดวัน อาการทุกอย่างคือปริกลัสัญญาก็ดีตารที่กลับมาแล้วตัวตัดราคาก็ดีตัวตัดโทระก็ดีเราควรจะทรงตลอดวันอารมณ์จิตของ ท, ท่านจะสบายนี่ถ้าโมหะเกิดขึ้นก็หันก็ไปหาความจริงด้วยใจของเราเนี่ยให้รักความจริงอย่าไปรักความไม่จริง ความจริงที่โมหะจะมีึ้นได้ก็เพราะจิตใจเราไปรักของไม่จริงข้องจริงจะมีอะไรบ้างนั่งดูที่ที่เราหลงว่าเป็นเราเป็นข้อเรานะ่ะมันมีอะไรบ้างทรัพย์สินทั้งหลายที่เราครองอยู่เวลานี้มันเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นคู่กับชีวิตเรา หรือว่าเป็นของเก่าที่คนอื่นเขาเคยคลองมาแล้วพื้นแผ่นดินที่เรานั่งอยู่เราใช้เป็นประโยชน์พื้นแผ่นดินพื้นนี้มันเกิดมาพร้อมกับเราหรือว่าเกิดมาก่อนถ้าเกิดมาก่อนก็ต้องคิดว่าก่อนที่เราจะเกิดมานี่มีคนอื่นเขาเกิดมาแล้วหรือยังถ้าท่านคิดบอกว่ายังแล้วก็ ผมก็ต้องข อ, อกราบสลายแสนครั้งทําไมจึงกราบก็กราบเพราะว่าท่านบ้าเกินคนถ้าคนดีเขาไม่พูดแบบนี้ท้าบ้าล้วก็บ้าเลยคนบ้าธรรมดาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าไอ้คนที่เกิดก่อนเรามันมีอยู่คนที่เกิดก่อนเราที่เราเห็นได้ชัด ก, ก็คือพ่อกับแม่ของเรา แต่ว่าท่านเกิดที่หลังเราท่านเป็นพ่อเราแม่เราไม่ได้นี่พ่อเราแม่เราไม่เป็นไรเพื่อที่อาจจะยังอยู่ได้รับพ่อกับแม่ของเราที่ท่านยัเกิดท่าอาศัยใครอาศัยพ่อท่านแม่ท่านคือปู่ย่าตายายของเราและปู่ย่าตายายของเรานี่ก่อนที่ท่านจะเกิดท่าอาศัยใคร อาศัยปวดโทษญาติญาติโทษตาโทษยายโทษท่านโทษทั้งหลายเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยไข่อาศัยบิดามัรดาของท่านเรียกไม่ถูกแล้วตอนนี้ท่านนั้นหลายเหล่านั้นไปไหนอยู่หรือเปล่ายังมีชีวิตอยู่ไหมนี่เราไม่รู้จักญาติเรานับไม่ท้วน ที่เป็นต้นตรกูลของเรานี่ความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมันหลงเมามันในชีวิตเพื่อประโยชน์อะไรที่หลงสำคัญก็หลงคิดว่าเราจะไม่แก่เราจะไม่ป่วยเราจะไม่ตายแล้วในเมื่อท่านนั้นหลายเ่านั้นท่านเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นผู้มีคุณเป็นผู้เกือ้อกูลเราท่านแก่ท่านตายได้แล้วเราจะแก่ได้ตายได้ไหม แล้วเมื่อเราแก่เราตายแล้วทรัพย์ ส, บสมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยที่ตกทอดมาถึงเราเราจะแบกไว้ได้ไหมถ้าแบกไปเมืองผีกันได้ท่านคงแบกไปหมดแล้วไม่เรือทีงเรานี่เป็นอันว่ทาทรัพย์ทั้งหลายทั้งหมดที่ปรากฏว่ามีอยู่แล้วมันตกมาถึงเราเพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นแบกไปไม่ได้ดังนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยเจียงทรงแนะนํา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วก็ทำความรู้สึกแต่งว่าศัก์แต่ว่าหินอย่าไปยุ่งกับมันเมื่อเข้าไปอาศัยอยู่คือจิตอาศัยกาย ก, ายก็มีความรู้สึกแต่เงว่าศัก์แต่ว่าอาศัยอย่ายัดยึดถือกายภายในคือร่างกายของเราอย่ายึดถือกายภายนอกอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมด ตัวนี้เป็นตัวตัดตัวยอดเป็นิปัญนายานตัวทุตท้ายแต่กำลังใจของบรรดาท่านพระโยคาวจทารทั้งหลายทำได้อย่างนี้ครบถ้วนคือไม่ยึดถือก็เราไม่ยึดถือเขาไม่ยึดถืออะไรอรทั้งหมดในโลกอารมณ์จิ ต, ตดวงนี้เป็นอารมณ์จิตของพระอารหันต์แต่ความจริงท่านฟังกันมามากท่านได้รับ ท่านฟังกรรมาเยอะท่านดีบวชเก่าท่านนี้อยู่เก่าฟังกันมาผมว่ามหาปฏิปทานอสูตรนี่ผมสอนหลารอบหนังสือก็มีดูแต่ว่าผมก็ไม่ประมาทท่ามาท่านจะไม่ได้อะไรท่านได้รับฟังคาสอนอยนี้บางทีบางท่านอาจจะเป็นอรหันต์ไปก่อนผมแล้วก็ได้ ว่าผมเองก็ยังเป็นพระกังหันอยู่หมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปหมุนเพื่อตัวเองเหมือนผู้หมุนเพื่อท่านเหมือนหมุนเพื่อคุณเอื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นอนุว่าขอท่านน่าไหลายสร้างความรู้สึกไว้เป็นประจําใจเมื่อโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ขเรา เราจะไม่ยึดถือมันทั้งกายเราทั้งกายคนอื่นและทั้งโลกอื่นทั้งหมดสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานเพื่ อ, อรมปลดปลดเสียทุกอย่างถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วก็แล้วก็ไปอะไรท่านนั่งไหลเวลาก็หมดสิแล้วนี่ขอทุกท่านจงทรงอารมณ์ในจิตตานุปัสสนามหาติฏฐานและทบทวนของเดิม ที่ศึกษามันแล้วจึงกว่าจะได้เวลาสมควรสวัสดี